หลวงปู่ศีชันท้าิรินอกจากท่านจะอบรมสั่งสอนรรมะกับชาวบ้านตามที่ธุระกันดานตามป่าเขาตามดงพงไพรนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มชนที่ห่างไกลาจากความเจริญซึ่งมีพระน้อยรูปค่ะที่จะเข้าไปอบรมสั่งสอนเฉพาะผู้คนที่เป็นนักบวชส่วนใหญ่ก็ชอบที่จะอยู่ในถิ่นฐานที่มีความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่า นอกจากชาวบ้านทุง่งชาวบ้านป่าก็พวกเทพเทวาอารักษ์แล้วก็พระเนนผู้ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ท่านมีอุบายธรรมในการอบรมสั่งสอนอย่างลึกซึ้งนะคะท่านก็จะยกพระทุดงพระธรรมของพระพุทธองค์ไปเป็นคําสอนเป็นผู้สืบทอดต่อเช่นการอบรมพระเนนในเรื่องของการเดินบินทบาตค่ะ พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เดินบินธบาดเดินจงกรมเดินทุดงเป็นการรักษาสุขภาพร่างกายทำให้ไม่เมื่อยขบไม่หนาวในเวลาเดินท่านให้เดินอย่างสํารวมเดินอย่างมีสติเอาจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเวลาเดินก็ให้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์หรือไม่ก็ภาวนาบทใดบทหนึง่งอย่างเช่นสัมมาอรหังหรือว่าพุทโธนะคะ เวลาเข้าไปรับบาตรก็ให้มองพิจารณาในบาตรเพื่อไม่ให้สายตาสอดสายแล้วก็เพื่อไม่ให้จิตปรุงแต่งการคิดปรุงแต่งก็ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิต ถ้าตาไปเห็นรูปหูไปได้ยินจมูกได้กลิ่นหรือว่าลิ้นได้รสนะคะแม้ไม่ได้สัมผัสจิตมันก็ปรุงแต่งจากสัญญาขึ้นมาได้เมื่อสัมผัสแล้วทำอย่างไรเมื่อจิตเกิดปรุงแต่งท่านก็ให้พิจารณาถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามความสวยที่สุดมันก็ไม่ได้สวยได้ยามชราเนื้อหนังบางสามันก็เหี่ยวยน่นยามตายผิวมันก็บวมฉุแตกปริเน้าเฟส่งกลิ่นเหม็นมันจะสวยไหย ท่านบอกไว้ทุกอย่างทุกทางแม้กระทั่งเจ้าความอยากในกรรมคุณมันก็ยังมีเล็ดลอดออกไปได้นะคะท่านก็สอนให้มีสติคอยระวังจิตของตัวเองคอยรู้เท่าทันอารมณ์ของกิเลส คำสอนของพระองค์ค่ะแม้จะประเสริฐยอดเยี่ยมอย่างไรถ้าไม่ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วก็ยากที่จะพ้นทุกได้ถึงเราจะประกอบอาชีพอย่างไรก็ตามถ้าไม่ทำด้วยตัวเองนะคะอาศัยจมูกคนอื่นหายใจคอยให้เขาทำให้ก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรแก่ตน ธรรมะก็เช่นกันค่ะถ้าอยากจะให้พ้นทุกข์เราก็ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองเห็นได้ด้วยตนเองถึงจะเกิดปัญญารู้แจ้งถึงจะหาทางพ้นทุกข์นั้นได้การตอบแทนคุณท่านก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์นะคะมีอยู่คืนวันหนึ่งค่ะขณะที่หลวงปู่ศรีฉันทศิรินะคะท่านได้นั่งบาเพ็ญสมาธิภาวนาอยู่นั้น เป็นเวลาดึกสงัดประมาณสองยามเห็นจะได้จิตของท่านอยู่ในขั้นอุ ป, ปะจาระสมาธิก็คือสมาธิอย่างอ่อนๆซึ่งกำลังพิจารณาสังขารธรรมอยู่อย่างเพลิดเพลินเจริญใจแล้วก็ไม่ลดละความพยายามฉับพลันทันใดนั้นค่ะก็ปรากฏภาพนิมิตขึ้นมาในห้วงสมาธิว่ามีผู้ชายคนนึงนุ่งขาวห่มขาวได้เดินคุกเข่าพร้อมกับก้มลงกราบท่านแล้วก็พูดว่านีมลหลวงพ่อย้ายกรดไปอยู่แถวเขาสเสถิดด้วย คืนนี้จะมีน้ำป่าพัดผ่านมาที่นี่หลวงพ่อจะเป็นอันตรายถึงชีวิตและภาพนิมิตของเทวดาผู้นั้นก็หายไป หลวงปู่ศรีท่านจึงอธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วก็พระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายเพื่อขอตรวจดูเหตุการณ์ด้วยทิพระจักขุยานผ่านกระพบนะคะว่าไกลออกไปทางเหนือค่ะฝนกำลังตกหนักมืดคล้มแล้วก็มีพายุฟ้าแลบน่ากลัวมากเห็นน้ำป่ากำลังทะลักทลายลงมาจากภูเขาพัดพาถล่มต้นไม้ในป่าเสียงดังกึงกก้องไปหมดน่ากลัวมากกระแสน้ำป่านั้นกำลังพัดมาทางจุดที่ท่านกำลังบําเพ็ญเพียร อย่างแรงหลวงปู่รู้สึกประหลาดใจเราคนสงสัยก็เลยถอยจิตออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดูก็พบนะคะว่าบริเวณหุบเขาที่ท่านพักอยู่แสงเดือนงายอย่างแจ่มจัดอากาศก็เย็นสบายปลอดโปร่งรื่นรมไม่มีเขาของเมฆฝนอยู่บนท้องฟ้าเลยแต่ว่าเหตุการณ์ผ่านไปสักชั่วอึดใจใหญ่ค่ะ สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงดังอื้ออึงลงมาจากเขาทางด้านทิศเหนือเสียงนั้นน่ากลัวมากคล้ายกับเสียงรถไฟหลายขบวนวิ่งแข่งกันเข้ามาในป่าอย่างไม่มีผิดเลยทำให้ท่านแน่ใจทันทีนะคะว่าโอปติกะเทพเทวดาที่ปรากฏเข้ามาแจ้งเหตุในนิมิตนั้นบอกกล่าวเป็นความจริงและทิพจักขุยานของท่านก็เห็นภาพแน่ชัดไม่ใช่ภาพหลอกหลอนแต่อย่างไร เสียงอื้ออึงนั้นเป็นเสียงน้ําป่าห่าใหญ่ที่กำลังพัดมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากอย่างแน่นอนนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลไม่มีใครห้ามได้เราเป็นผู้สมณะผู้บำเพ็ญธรรมไม่ควรไปกีดกันทางธรรมชาติรำพึงเช่นนั้นแล้วนะคะหลวงปู่ท่านก็ถอนกลดจัดแจงย้ายขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงให้พ้นอันตรายแต่หาได้ตื่นกลัวแต่อย่างใดนะคะ พอท่านแบกกลดใส่บาทข้างนึงสะพายบาดอีกข้างนึงแล้วท่านก็ออกเดินทางขึ้นเขาไปกระทำใจให้มั่นคงแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรเพราะว่าเสียงน้ำนั้นยังอยู่อีกไกลคงไม่มาถึงตัวท่านอย่างรวดเร็วแน่ เดินภาวนาสักครู่หนึ่งก็ขึ้นเขาสูงท่านก็เลยมองลงจากหน้าผาเห็นกระแสน้ำขนาดเมือมาไหลกระดากท่วมต้นไม้ใหญ่พร้อมกับใบหญ้าแถวนั้นนะคะตรงที่ท่านเคยนั่งภาวนาในหุบเขาชั่วพริบตาเท่านั้นนะคะที่ตรงนั้นก็กลายเป็นทะเลสาบไปในบัดดลค่ะ ช่างน่าอัศจรรย์ใจกับธรรมชาติที่งดงามแต่ว่าแฝงไปด้วยอันตรายนานาประการพอรุ่งเช้าน้ําป่านั้นก็หายวับไปกับตานี่แหละนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของธรรมชาติน้ําป่ามาเร็วไปเร็วค่ะแล้วก็เป็นอันตรายร้ายแรงอย่างน่ากลัวยิ่งนักหลวงปู่สรีนั้นนับว่ามีบุญญาพิสมพานสูงถึงรอดตายมาได้ในครั้งนี้จะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาช่วยไว้ก็ให้น่าสงสัยมากนะคะ เรื่องของหลวงปู่ศรีค่ะยังมีอีก ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าจาะคัดมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบางเรื่องบางตอนอย่างเช่นเรื่องนี้นะคะเรื่องของหลวงปู่สีท่านข้ามแม่น้ำโขงเพื่อที่จะจาริกทุดงไปยังหลวงพระบางค่ะก็รอนแรมบุก ป, ป่าฝ่าดงอันหนาแน่นไปด้วยต้นไม้แล้วก็ขวาก้ําเรียกว่าเส้นทางทุดงเนี่ยทุรกันดารยากลําบากวกไปเวียนมามองไปทางไหนก็มีแต่ป่าเขาสูงใหญ่จนอ่อนล้าเพราะว่าหลงทิศทางเดินทั้ง วันก็วกกลับมาที่เดิมไม่น่าเชื่อนะคะสัตว์ตัวกระจจอยร้อยประเภทดูดเลือดเช่นพวกทากเนี่ยนะคะก็มีมากมายคอยรบกวนให้ได้รับความรำคาญอยู่ตลอดเวลาพอตะวันยอแสงฉาบสีทองเอิบอาบขุนเขาสูงใหญ่ที่อยู่เบื้องหน้าเป็นภาพที่สวยงามตระการตาราวกับสีของมณีวิเศษอันมีสีต่างๆนะคะ หลวงปู่ศรีท่านชื่นชมธรรมชาติในยามใกล้สนธยาเบื้องหน้าได้ครู่หนึ่งค่ะก็รีบรุดไปยังเชิงเขาเพื่อยึดเอาเขาลูกนั้นเป็นที่พักแรมในคืนนี้ภูมิภาพอันสวยงามเบื้องหน้าเงาหมู่ไม้ทอดยาวแสงสะท้อนจากกลุ่มเมฆสีขาวสลับซับซ้อนเบื้องบนเป็นสีระยับวับวาวทำให้หุบเขาแห่งนั้นกลายเป็นสีรุง้งดังว่าเนรมิตไว้นะคะ คำว่าวันนั้นหลวงปู่ศีท่านได้หยุดปักกลดที่เชิงเขาในคูหาถ้ำอันกว้างขวางสะอาดสะอ้านคล้ายกับว่ามีคนมาคอยปัดกวาดเป็นประจำใกล้ๆกันก็จะมีธาร น, น้ำใสไหลยเย็นผ่านหลังจากลงส่งน้ำในลำธารเป็นที่ชุ่มชื่นเย็นกายเย็นใจแล้วท่านก็กลับเข้าไปในถ้ำนั่งพักผ่อนอยู่พักหนึ่งนะคะต่อมาก็นั่งภาวนาด้วยพุโทโธเป็นวัดปกติเสมอมา แสงเดือนกระจ่างนวนสัดเข้ามาในถ้ำกระแสลมที่พัดอยู่รวยรินก็ทำให้สดชื่นเย็นกายสบายใจค่ะบรรยากาศภูมิประเทศก็เงียบสงัดวิเวกเหมาะสำหรับการบำเพ็ญสมณะธรรมพิจารณาขันทั้งห้าด้วยประการทั้งปวงเวลาผ่านไปอยู่สม่ำเสมอนะคะท่านก็เลยถอนจิตจากสมาธิเปลี่ยนเป็นการเดินจงกรมที่บริเวณหน้าถา้ท่าำกลางแสงเดือนกระจ่างสว่างพราวเหมือนตอนกลางวัน ทันใดนั้นค่ะก็มีเสียงกระหึ่มร้องดังขึ้นสนั่นวันไหวเสียงร้องรับกันทางนั้นทีทางนี้ทีแสดงว่ามีเสือออกหากินในยามราตรีเสียงร้องของมันทําให้ป่าที่วังเวงด้วยเสียงจั ก, กจั่นเรไรที่ร้องระงมเงียบไปดังต้องมนต์อาถรรพ์แต่ว่าหลวงปู่ ก็ไม่ได้นึกเกรงกลัวแต่อย่างใดนะคะถือว่าสัตว์ป่าออกหากินก็เป็นไปตามปราษาของมันท่านก็ยังคงเดินจงกรมไปตามปกติแล้วก็ต่อด้วยอิริยาบถอย่างสม่ำเสมอมีมหาสติประฐานคอยเป็นหลักควบคุมกายแล้วก็ใจอยู่ตลอดเวลาไม่วอกแวกเสียงเสือขาน ร, รับกันคำรามใกล้เข้ามาทุกทีค่ะ แต่แล้วในที่สุดเสียงก็ได้หืมร้องนั้นก็เงียบหายไปหลวงปู่ท่านก็เดินจงกรมกลับไปกลับมาอยู่พักใหญ่ก็รู้สึกเฉลียวใจว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติข้างทางเดินจงกรมท่านก็เลยชำเรืองมองดูนะคะตอนนั้นเนี่ที่ท่านหันหน้าไปมองดูก็ได้เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่มากค่ะตัวใหญ่เกือบเท่ามา้าล่ำพีสองตัวกําลังจ้องมองท่านอยู่อย่างเงียบๆท่านก็รู้สึกสงสัยว่ามันมายืนจ้องมองท่านอยู่เช่นนี้มันต้องการอะไรกันแน่ ถ้าหากว่ามันต้องการจะจับกินมันก็น่าจะทำไปแล้วไม่น่าจะพากันจ้องมองไม่กระดิกเช่นนี้ดูๆไปแล้วก็น่ารักปนน่าสงสารในจิตท่านมีแต่ความเมตตาพอท่านคิดเช่นนี้ ฉับพลันทันใดเสือใหญ่ทั้งสองตัวนี้ก็ส่งเสียงร้องกระหึ่มขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดจนแก้วหูอื้อเมื่อได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นพร้อมกันแบบนี้ท่านก็คิดในใจฉลอยพวกมันคงจะพูดบอกความในใจท่านแต่ว่าเป็นภาษาของมันกระมังพอท่านคิดได้เช่นนั้นค่ะมันก็พากันร้องสนั่นขึ้นมาอีกจนสะเทือนไปทั้งป่า หลวงปู่ีท่านก็ยังคงเดินจงกรมผ่านหน้ามันไปแบบปกติมันก็ไม่ได้ทำอะไรท่านได้แต่จ้องมองตามอิริยาบถการเคลื่อนไหวของท่านอย่างเงียบๆอยู่เป็นเวลานานนะคะแล้วพวกมันก็พากันถอยห่างแล้วก็เดินหนีหายเข้าไปในป่าคงทิ้งไว้แต่ความเงียบสงัดดังเดิมหลวงปู่ีเที่ยวบาเพ็ญสมณธรรมอยู่ทางภาคเหนือ อยู่พมา่าอยู่ประเทศลาวแล้วก็ทุดงลัดเลาะข้ามลําแม่น้ำโขงตัดเข้ามาทางภาคอีสานของประเทศไทยเป็นระยะเวลานานถึง9ปีตลอดระยะเวลา9ปีท่านจาริกทุดงไปตามสถานที่ต่างๆนับไม่ถ้วนหลังจากท่านบรรลุธรรมวิเศษจึงปรากฏว่าค่อยมีพระลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้นนะคะพระลูกศิษย์ทั้งหลายที่บุกบั่นรอนแรมเข้าป่าดงไปหาหลวงปูศ่ศรีท่านจะให้อยู่กับท่านไม่นานนักแล้วท่านก็จะสั่งให้ย แยกย้ายกันออกหาที่วิเวกตามที่ต่างๆเพื่อการบำเพ็ญเพียรภาวนามุ่งทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานท่านให้พักตามถ้ำบ้างตามชายเขาบ้างแล้วก็ตามยอดเขาบ้างสำหรับการขบฉันนั้นนะคะอาหารท่านก็ให้ออกบินทบาทไปตามหมู่บ้านที่มีชาวป่าชาวเขา บางครั้ง 7-8 วันถึงได้ออกบินธบาตกันครั้งหนึ่งเพราะว่ามัวแต่เพลิดเพลินเจริญสมาธิวิปัสนาจนลืมเวลาเวลาลืมคืนลืมวันแต่ก็ไม่ปรากฏนะคะว่าหิวโหยหรือว่าอ่อนเพลียเจ็บไข้ได้ป่วยกันแต่อย่างไรเพราะว่าจิตสงเคราะห์มีความสุขมีความชุ่มชื่นมีความเย็นใจเย็นกายด้วยอานาจของบารมีธรรมค่ะ มีพระลูกศิษย์ของท่านบางองค์มีอำนาจจิตแก่กล้าบุญญาบา ร, รมีสูงถึงกับทรงอภินยาหสามารถทรงตัวอยู่ในสมาธิวิปัสสนาได้นานเป็นเวลาถึง3เดือนก็มีนะคะโดยที่ไม่ขบฉันอาหารอะไรเลยนอกจากฉันแต่น้ำอย่างเดียวซึ่งก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยทีเดียวค่ะ พระธุดงค์กรรมฐานสิทธิหลวงปู่ศีล้วนเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจห่านมากเที่ยวสแสวงหาธรรมกันในป่าเขาอันเป็นถิ่นที่อันตรายแบบเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆโดยที่ไม่อะไรชีวิตยิ่งกว่าธรรมที่ใดมีเสือมีอำนาจเร้นลับหรือว่าน่าสะพรึงกลัวหลวงปู่ศีท่านเองก็จะสั่งให้พระไปที่นั่นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จะช่วยกระตุ้นเตือนสติปัญญาไม่ให้นิ่งนอนใจ ความเพียรก็จำต้องติดต่อกันไปเองนะคะแล้วก็เป็นเครื่องหนุนใจให้มีกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็นตัวของหลวงปู่ีเองท่านก็บำเพ็ญสุขวิหารธรรมอยู่โดดเดี่ยวในป่าเขาอันชุกชุมด้วยสัตว์ร้ายสงัดเงียบปราศจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือว่าเวลากลางคืนค่ะ ส่วนการติดต่อกับพวกกายทิพย์เช่นเทวบุตรเทวทิดาอินพรมพญานาคแล้วก็พูดผีที่มาจากที่ต่างๆท่านเองก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงเป็นเรื่องลี้ลับพิสดารที่พระธุดงกรรมฐานเท่านั้นจะผ่านพบรู้เห็นได้เหลือวิสัยที่จะพูดที่จะอธิบายให้ปุถุชนชาวบ้านเข้าใจเพราะว่าชาวบ้านทั่วไปก็มีความช่างสงสยัยเป็นนิสัยอยู่แล้วนะคะ ชาวบ้านศึกษาการเรียนรู้ช่างจดช่างจำช่างสงสยัยหมายรู้เอาด้วยวัตถุสิ่งที่มีตัวตนจับต้องได้มองเห็นได้แต่ว่าทางพระศึกษาเรียนรู้ทางจิตไม่ใช่ทางวัตถุการรู้เห็นทางจิตจึงเป็นการรู้เห็นด้วยสติปัญญานามธรรมดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังการรู้เห็นของพระแล้วก็ชาวบ้านจึงแตกต่างกันออกไปหลวงปู่ศรีท่านเองมีการติดต่อกับพวกกายทิพย์ จากโลกวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์ติดต่อไปมาหาสู่กันกับมนุษยชาติต่างๆที่เข้าใจภาษากันนั่นเองเพราะว่าท่านชนานาญในทางนี้มานานแล้วการพบเห็นพวกวิญญาณของท่านไม่ใช่สิ่งลวงตาลวงใจหรือว่าเป็นเพียงภาพมายานะคะหากแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ท่านพิสูจน์เห็นแท้แน่นอนในทุกแงม่มุมไม่มีผิดพลาด ท่านพักอยู่ในป่าเขาโดยมากก็ได้ทำประโยชน์โปรดสัตว์อบรมสั่งสอนข้ออัดข้อทมแก่กายทิพย์แต่ว่าก็จะมีหลายภูมิหลายพบหลายชั้นตามภูมิปัญญาให้เขาได้ทราบซึ้งในอัธรธรรมของพวกชาวป่าชาวเขาเผ่าต่างๆก็มีเหมือนกันเช่นอีกอ็มูเซอร์แม้วเย้านะคะเหล่านี้นับถือผีสางนางไม้ค่ะ หลวงปู่ศรีก็ได้แผ่ทำเข้าไปถึงจิตใจของพวกเขาทำให้พวกเขาเคารพเลื่อมใสท่านมากๆทั้งทำให้ชาวป่าชาวเขาเป็นคนดีมีสัตว์มีศีลหันมานับถือพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวาง หลวงปู่ศรีชันทศรินะคะมีอุบายธรรมเป็นเลิศค่ะแก่กล้าด้วยยานรู้ผู้เรืองเวทวิทยาอาคมแก่กล้าชันหมากสุดวิเศษตะกรุดมหาอุดแคลวคลาดจากพยันตรายนานาประการสายสินสิงหรือแม้แต่เศษ จ, จีวรยอดเยี่ยมนะคะแล้วก็พระผงครอบจักรวาลอายุยืนอมะตะยากจักหาได้ในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้จากสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เศษผ้าถูพื้นของท่านก็แทบจะไม่มีเหลือน้ําล้างเท้าของท่านผู้คนก็ยื้อแย่งกันทั้งพวกชานหมากของท่านก็ไม่มีตกค้างแม้แต่เศษไม้จิ้มฟันค่ะลูกศิษย์ก็พากันเก็บจนหมดสิน้นและที่หาได้ยากยิ่งนั่นก็คือพระผงรุ่นอายุยืนรุ่นพิเศษที่มีเศษเกษาจีวร น, นะคะ วัตถุมงคลของหลวงปู่ทุกอย่างค่ะรวมทั้งสิ่งต่างๆที่หลวงปู่จับถือก็ถือว่าเป็นสิ่งของศักดิ์สิทธิ์เป็นของดีของวิเศษเป็นสิ่งมงคลเป็นโชคลาภของผู้ที่ได้นำไปบูชาตลอดจนข้อธรรมของหลวงปู่ก็ลึกซึ้ง หลวงปู่มีลูกศิษย์ที่ชาวพุทธให้การเคารพยกย่องกราบไหว้ด้วยกันหลายองค์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่บุตรดาถาวโรวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อเจริญวัดผักไห่จังหวัดอายุธยาหลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคตาคลีนครสวรรค์อาจารย์สมบูรณ์วัดเขาถ้ำบุญนาคตาคลีนครสวรรค์แล้วก็อาจารย์สุพจน์นะคะอยู่ที่วัดเขาถ้ำ อาจารย์รักพิสนุโลกอาจารย์ประเทืองพุทธธรรมโมแห่งเข่าถ้ำบุญนาคซึ่งปัจจุบันจำพรรษาอยู่ที่วัดสัมปทานนอกตำบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะหลวงปู่ศีชันทศริท่านชาตะเมื่อวันอังคารที่10เมษายนปีพุทธศักราช2392แรมสี่ข้ามเดือน5ปีรากาเวลา17นาฬิกา45นาทีค่ะราศีกันเทศรีเลิกหลวงปู่ีชันทศริา ท่านมรณภาพเมื่อวันพุธ ท, ที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2520ขึ้น6ข้าำเดือน4ปีมะเสงหลวงปู่ศีชันทศิริชั้นชาตะในปลายรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีแล้วท่านก็มรณภาพลงในรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีเรียกว่าท่านเป็นพระภิกษุที่มีอายุยืนนานถึง7รัชกาลกันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนชีวประวัติของหลวงปู่ศรีพร้อมกับคำสั่งสอนนะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของการประพฤติตนให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีที่มีแก่สิทธิสานุศสิทธิทั้งหลายนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวในโอกาสต่อไปในวาระต่อไปทางบีเองก็จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในอนาคตนะคะ